ถ้าทำบุญแล้วอธิษฐานให้เพื่อสิ้นนักสบากิเลสก็ยังจะใช่ครับแต่ถ้าทำบาปไม่ใช่แน่แต่ทำบุญแล้วไม่อธิษฐานเพื่อมักผลนิพพานก็มันไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ตัวเองที่แท้จริงอันนี้นะเพราะนั้นเวลาเราจะคิดอะไรเนี่ยต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านคิดไว้อย่างไรท่านเห็นไว้อย่างไรเพราะว่าท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วความคิดเห็นต่างของพระธรรมาการพระพุทธเจ้า เป็นไปด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่มีเลยแลว้วก็เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณคือให้เราพ้นทุกข์ทั้งนั้นให้ทุกข์มันหมดไปจากจาก จ, จิตใจจากชีวิตทั้งนั้นให้มันหายทุกข์ไปทั้งนั้นแลว้วก็บริสุทธิ์คือไม่ได้ต้องการกรรมตอบแทนอะไรเราไปหาประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยมันต้องคิดค่าตอบแทนนะเขา เขาทำประโยชน์ให้เราเราก็ต้องตอบแทนให้เขาหรือว่าเราทำประโยชน์ให้เขาเราก็ต้องคิดว่าเอ้ะเราควรจะได้คำตอบแทนบ้างที่อย่างน้อยก็ขอบขอก ข, ขอบใจจดจำคันมดเีเราเอาไว้บ้างหรือเราเสริญกันบ้างเรายังอยากได้เพราะเรายังมีความโลภอยู่แต่ว่าพูะพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาทำเพื่อจะหวังได้อะไรจากเราไม่มีแม้แต่เพียงน้อย เห็นได้อย่างไรล่ะก็เห็นได้จากนี่เองล่ะที่ว่าท่านไม่ปิดบังไม่หวงความรู้ของท่านเลยสอนหมดเกลี้ยงแล้วไม่เลือกไม่เลือกว่าต้องเป็นคนมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงใครที่จะรู้ได้ท่านสอนให้หมดแม้จะเป็นผู้ที่เป็นศัตรูกับท่านแต่ก็ยังไปสอนแต่ก็ยังไปเกื้อกูล อาจจะมานั่งนั่งรถแท็กซี่มาพอบอกว่าจะมาที่จุฬาแท็กซี่เขบอกแหมรถมันติดจะพูดไปค้ายไม่อยากมาเขาบอกว่าจะไปหรือเปล่าเขาก็เอาไปก็ไปนะแล้วเ้าก็บน่บนๆว่าแหมวันนี้ขับรถไม่ค่อยได้แต่ตังค์เลยเขาก็ก็ธรรมดาคนนะก็าบางิดเห็นกประโยชน์ของตนเองนะ่เป็นหลักทั้งๆ ท, ที่ก็เราก็ รู้กันอยู่แต่มันมักจะคิดว่าแม้ประโยชน์เราเนี่ยได้น้อยเราเสียไปเยอะต้องเอาให้ได้คุ้มเพื่เป็นอย่างนั้นก็ยังนึกในใจรถในนี้ติดทุกที่ในกรุงเทพมันมีรถที่ไหนไม่ติดถ้ไม่ติดคุณก็อยู่ประเทศอื่นะนะประเทศกรุงเทพเนี่ยมันรถติดทั้งนั้นหรือว่าถ้ามันขับรถตั้งตี้แล้วมันกําไรไม่ดีเปลี่ยนอาชีพไปก็แล้วกันเราก็บนมาเดี๋ยวนี่ไม่ค่อยดีเลยเนี่ย หาเงินไม่ค่อยได้เรบอกเมื่อไหรเราก็บอกว่าตะก่อนดีตะก่อนัเมื่อไรบอกเมื่อเดือนที่แล้วดีก็ <c oughs> ให้ดีตลอดองไงมันไม่ก็ไม่ได้หรอกจะเอาแต่ประโยชน์ดีอย่างเดียวไม่มีเสียเลยเหรอมันไม่มีในโลกนี้นะมีฮะอย่ า, านั่นแหละแต่อก็แ ต, แต่เขาแต่เขาอยากจะให้มันไม่ติดนะมั้งอยากจะให้มันไปเร็วเร็ว ก็มองดูว่ า, าจิตใจของค น, น, ม, นมันอยู่กับความโลภตลอดแล้วเราถ้าเราไม่ดีเราจะเกิดความโกรธตอบไปด้วยนะว่าเอ๊ะทาไมมาบ่นกันอยู่ยุ่งไปบมนน ะ, นะแต่ว่าประโยชน์ที่แท้จริงชีวิตเนี่ยคนมองไม่ออกหรอกว่าคืออะไรถ้าพุทธเจ้าไม่พูดยิ่งไม่มีรู้เรื่องเลยเพราะทุกคนคิดว่าสิ่งที่ความโลภมันตรานานะ น, ะ น, ะนั่นแหละคือประโยชน์เห็นแค่ตัวอะคือประโยชน์ เราได้คือประโยชน์ไอ้เรานี่มันใครได้กันแนนะนะ่แล้วมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะนั้นทุกคนก็จะหวังสิ่งตอบแทนเป็นหลักเราต้องเอาให้มากๆแต่ปสับบสสาวาสามพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่เช่นนั้นนะเพราะว่าตัณหาที่จะมาหวังอะไรจากพวกเราเนะี่ยไม่มีแต่แล้วมีแต่พระมหากรุณาอันบริสุทธิ์ที่จะให้อย่างเดียว เกิดมาเพื่ออ่านุเคราะห์สัตว์โลกก่อนไม่ไม่ไม่ไม่ต้องให้สัตว์โลกแอบรูเคราะห์ท่าน่ะท่านอนุเคราะห์ก่อนเพื่อนําสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เพราะนั้นพระธรรมคําสั่งสอนของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่รู้จะพรณนาอย่างไรสําหรับผู้ที่ใช้พระธรรมคําสอนนั้นมาสอนโดยเองเป็น นี้ทุกข์แล้วก็เออมันทุกข์จริงเออนี่สมุทรไทยเหตุเกิดทุกข์เออมันเหตุเกิดทุกข์จริงอันนั้นเราถึงจะรู้ประโยชน์คําสอนของท่านนะต่อไปสัจธรรมปฏิรูปนะสัจธรรมปฏิรูปกระสูตรเป็นสูตรต่อไปเลยว่าด้วยพระสัจธรรมกําลังเลือนหายไปเรารู้สึกบ้างหรือเปล่าว่าพระสัจธรรมกําลังเลือนหายไปพระสัจธรรมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนะเพราะว่ามันมาอยู่ก็ อุปท า, านขันห้าอันไม่เที่ยงนี่พระสัท์ธรรมน ะ, นะมาอยู่กับมนุษย์เทวดานี่มันก็เลยไม่เที่ยงไปด้วยแล้วเป็นอันตรายด้วยเรารู้สึกตั้งมั้ว่าอันตรายอย่างยิ่งเลยอย่างอื่นจะเลือนหายไปมันไม่อันตรายอะไรหรอกเพราะว่าพระสัตธรรมนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดสูงสุดมีเนื้อความโดยละเอียดว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ อยู่ณพระเฉตวันอารามของอนาตบินดิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านท่านพระมหากัสปะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนสิกขาบท ม, มีน้อย สิกขาบทนี่ก็ศีล น, น, นะนะวินัยวินัยที่เขาเรียกกันว่าข้อขอ้ขอประพฤติทางกายวาจาเนี่ย ท, ที่ทำให้กายวาจารเร า, ามีจับความสารวมเป็นต้นเนี่ยเมื่อก่อนใ่สิกขาบทคือเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาในใบสิกขาบทมีน้อย และภิกษุตั้งอยู่ในพระอาหัปตะผลมีมากคือภิกษุฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมากมายและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีมากสมัยบัดนี้ก็คือระยะไปปลายปัฉิมม ก, การของพุทธเจ้าแล้วสิกขาบทพุทธเจ้าสแสดงมากเหลือเกินและภิกษุตั้งอยู่ในผ้าอาหัปตะผลมีน้อยยิ่งยิ่งศีลมีมากสิกขาบทมีมากภิกษุกับ เป็นพระอรหันต์น้อยลงเป็นเพราะเหตุไรจะเห็นได้ว่าคําถามของพระอรหันต์หรือผู้มีปัญญาจะถามเหตุผลเสมอถามเหตุถามปัจจัยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะว่าไอ้ผลเนี่ยมันรู้อยู่แต่ว่าเหตุเนี่ยมันไม่รู้เรารู้ผลกันอยู่โดยส่วนใหญ่นะแต่เหตุที่จะทําให้เกิดผลนั้นเนี่ยเราไ ม, ไม่แน่ว่าจะรู้ บางทีเป็นโรคเนี่ยรู้มีอาการปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้จะถามว่าเหตุอะไรทําให้ปวดอย่างนั้นเนี่ยหมอบอกไม่เหมือนกันทักคนหมอสิบคนอาจจะบอกสิบอย่างรักษ า, าไปสิบแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวรูว้ไม่จริงนะถ้ามิจฉาเจ้าตัดว่าดูกรกษัตะิย์ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือนี่บอกเหตุนะเมื่อหมูสัตว์เลวลง มูสัตเลวลงคือมันกิเลสมันมันมากอะ่ะพระสัตย์ทำกำลังเลือนหายไปศิกขาบทจึงมีมากขึ้นภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอหรหัตผลจึงน้อยเข้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นมูสัตนี่มีราคะโทสะโมหะมากเข้าก็ทาความผิดคือพระภิกษุทาความผิดมากไม่ได้มีความ ว่าง่ายความเคารพเชื่อฟังในคําสอนผู้ดูเจ้าก็ทำผิดผู้ดูเจ้าก็ต้องบัญญัติศิกขาบทขึ้นมาไม่ให้ทําทําแล้วเปิดโทษเพราะฉะนั้นภิกษุจึงตั้งอยู่ในพระธรามผลน้อยเข้าเนื่องจากว่าเลวนั่นเองความเลวลงแล้วก็การที่ไปประพฤติตามคําสอนผู้ดูเจ้าเนี่ยน้อยลงไปก็แน่นอนเราเราคิดดูเรามีความโลภเนี่ยเราจะไปทํา สิกขาบททาไมเพราะสิกขาบทมาชาระความโลภศีลทั้งหลายที่พระเจ้ญญาพันญัติมันมากําจัดความโลภกําจัดความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยนี่เรามีความโลภ แ, แล้วเราก็จะไม่เห็นแก่สิกขาบทเพื่อทตาต่างใจชอบอย่างเช่นพระชปักคีมันเข้าไปในเมืองในชาวเมืองถามว่าเนี่ยภาษาคตะภาษาคตะท่าน ปราบพญานาคได้ท่านมีฤทธิ์นะท่านจะเข้ามาเยี่ยมในเมืองแล้วเราจะต้อนรับอย่างไรดีพระชาพักคีบอกว่าเอาเหล้าสิเอาเหล้าสีแดงๆต้อนรับท่าน่ดีเ น, นี่ยมันบ้องนะคือคื อ, คอแบบว่าจะเป็นคนที่มีความคิดอะไรแผลงๆะนะเอาเหล้าที่ให้ท่านดื่มแล้วจะดีถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างดีทีเดียวภาษากตะเข้ามาในเมืองก็ ชาวบ้านก็เลยเอาเหล้ามาให้ท่านขยันขยอยให้ท่านดื่มดื่มไปไม่กี่บ้านนะไปนอนปเปลือยกายจีวรจีวรหลุดลุวยอยู่กองขยะเมานะทีนี้ปราบไม่ได้แล้วแม่แต่งูเขียวงูน้ําก็ปราบไม่ได้แต่ก่อนที่จะเข้ามาในเมืองนะท่านมีฤทธิ์มีอภิน ญ, ญาปราบพญานาคได้ตอนนี้ปราบไม่ได้แล้วโดนเหล้ามันปราบ นี่ก็หมายความว่าบูสัดเร็วลงมันก็ไอ้กิเลตมันมากมันก็ทําอะไรแข็งแขงขึ้นมาเพราะฉะนั้นการจะตั้งอยู่ไหนมันอาจจะผลจริงน้อยแล้วต่อไปท่านกล่าวต่อว่าสัตว์ทำปฏิรูปเนี่ยอันนี้สําคัญนะปลอมนั่นเองถ้าทําปลอมนั่นเองยังไม่เกิดขึ้นในโลกราบใจราบนั้นพระสัตย์รมก็ยังไม่เลือนหายไป เมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเลือนหายไปทองเทียมทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดทองปลอมตราบนั้นทองคําธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคําธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัตธรรมก็ฉันนั้นสัตยธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นพระสัตธำรรมก็ยังไม่เลือนหายไปเมื่อสัตธำมปฏิจจรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธ ร, รมจึงเลือนหายไปควหมายความว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสื่อมไปต่อเมื่อมีคําสอนปลอมเข้ามาจอมปลอมเข้ามาคํำสอนที่ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาทําเดียนแบบทําเทียมขึ้นมาเหมือนกับทองเทียมทองแท้นะ ถ้ผู้มีพระเจ้าตัดต่อไปว่าดูกรกาสะปะธาตุดินยังพรสัตยรทำให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็ยังพรสัตย์ทำให้เลือนหายไปไม่ได้ไอดินน้ําลมไฟนี่ก็คือมหาพุทธ ร, รูปสี่มันมาทําคําสอนพระุทธเจ้าให้เลือนหายไปไม่ได้หรอกที่แท้โมคะบุรุษบุรุษผู้ไม่รู้จักประโยชน์โมคะก็ศูนย์เกิดมาศูญย์เปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้ จะหาประโยชน์ในชาตินี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ในชาติหน้าไม่ต้องพูดถึงนะที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทาให้พระศิษยธรรมเลือนหายไปดีละคนคนที่ไร้ปัญญาเนี่ยจะทาให้ศัษธรรมของพระพุทธเจ้าเลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นเรือจะ่ว จะจมเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะเพราะต้นหลนะพระสัทธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการชนนิดูกรกสปะเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความปั้นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเป็นชนหน คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เรียวกว่าพุทธบริษัทสี่ในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพย้ำเกรงในพระศาสดาอันนี้สำคัญมากนะเราไม่รู้เลยว่าพระคุณพระพุทธ เ, เจ้ามีต่อเราเนี่ยเพียงไรปกเก้าปกกระหม่อมเราแค่ไหนเราไม่รู้นั่นเราก็ไม่ย้ำเกรงพระพุทธ เ, เจ้าไม่ถือท่านเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ ไม่เคารพท่านจบเลยเป็นอนัตจบเลยทีนี้จะไปเคารพคําสอนท่านยังไงในเมื่อตัวคุณของพระพุทธเจ้าคือคุณของพระพุทธเจ้าเราไม่เคารพนั่นแล้ ว, ลวท่านพูดอะไรมาก็ไม่มีความหมายเหมือนเราไม่เคารพครูครูจะสอนยังไงเราก็ไม่เชื่อไม่ยอมรับไม่เคารพพ่อแม่เราก็ไม่ไม่เชื่อถือถ้อยคําของท่านเป็นอย่างนั้น เมื่อไม่เคารพยำเกงพระศ า, าสดาซะแล้วเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความเลือนหายแห่งพระศัต ร, รูไม่ได้เห็นพระบารมีของพระองค์ที่บำเพ็ญมาแสนยากไม่ได้เห็นพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระปัญญาที่คุณไม่ได้เห็นเอพระบาริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาคุณต่า ง, างไม่ได้หรอกมันไม่ไม่เกิดความเคารพมันต้องเห็นกันก่อนว่าที่เรามีสุขอยู่ได้เนี่ยห่างทุกข์ภัยอยู่ได้เนี่ยได้ ประโยชน์ชีวิตได้ก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปการะเราก่อนทําให้แก่เราก่อนจึงจะเกิดความเคารพคือทําให้หนักถือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเนื้อชีวิตเรานะยำเกรงก็คือมีหีริโอนตะปะมีความระอายมีความเกรงกลัวในพระคุณของพระองค์ในความดีของพระองค์นะต้องเห็นความดี โดยสรุปก็คือต้องกตัญญูกตเวทีต่อพู้เจเจ้านั่นเองประการที่2อิกษุูพิษุนีอุบาสก อ, อุบาสิกาไม่ในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เคารพยำเกงในพระธรรมพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมอาคารไม่มีความหมายเราแนกว่าเราสอนแข่งกับพระพุทธเจ้า ไ, ได้พระพุทธเจ้าสอนยังไม่บริบูรณ์เราต้องสอนเพิ่มเข้าไปอีกไม่เคารพยำเก่งในพระ สงฆ์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้แล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพอย่างเก่งในศิกขาในศิกขานี่ก็คือการปรับพฤ้นปฏิบัตินะนะตั้งแต่อาทิศีลสิกขาศีลอันยิ่งไปอาทิจิตตะสิกขาอาทิปัญญา คือต้องมีการฟังทำเรียนทำให้ดีก่อนใน ไ, ได้ไปฟังทำเล่าเรียนทำให้ดีทรงจำทำให้ดีไข่ควรทำให้ดีเสียก่อนแล้วปฏิบัติตามคำสอนอันนั้นนี่ว่าสิกขาสิกขาแปลว่าการปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติแล้วก็ไม่เคารพยำเพลงในสมาธิในสมาธินี่บางทีท่านก็แสดง ไปด้วยว่าไม่เคารพยำเกรงในความไม่ประมาทในบางที่ความไม่ประมาทก็คือความไม่ปล่อยสติไปจากใจให้ใจมีสติอยู่เสมอหรือว่าไม่เคารพยำเกรงในปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยอามิตรและต้อนรับด้วยธรรมะถ้าไปเจอทิอศศุด้วยกันอุบาสกอุบาสิกาด้วยกันพบกันไม่เอาแล้วไม่ปฏิสันฐานกันแล้ว ไม่ตอนรับกันด้วยเมตตาด้วยวัตถุจีกวรตอนรับหรือไม่ไม่กล่าวธรมาา ร, วมธรมะให้กันแล้วไม่ตอบธรรมะให้กันแล้วไม่สอนธรรมะให้กันแล้วเสร็จเลยนะความเลือนหายของพระสัทธรรมก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเหตุฝ่ายตามห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมฟั่นเฟือนก็คือว่า มันไม่ตรงซะแล้วไม่แท้ซะแล้วเปลี่ยนแปลงไปซะแล้วทุกกรณ์จัตสปะเหตุห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุห้าประการเป็นชนิดคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพยำเกรงในพระธรรม มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพยำเกรงในศิกขามีความเคารพยำเกรงในสมาธิเหตุทประการเหล่านี้แหลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟันฟ่นเฟื่องไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมนะพอเคารพพระพุทธเจ้าเคารพคำสอนเคารพพระอริยสงฆ์แล้วพรอริยสงฆ์ทั้งหลายมีบุญคุณกับเราท่านเป็นผู้รักษาพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยพุทธเจ้าไว้ด้วยชีวิตแล้วก็ปฏิบัติจนสําเร็จ ตามพระธรรมวิททนัยแล้วเราเคารพท่านก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ทําสิกขาให้บริบูรณ์ศีลยังไม่บริบูรณ์ทาให้บริบูรณ์ตาทีสุดที่ศีลสี่สอา้าวศีลบริบูรณ์แล้วสมาธิยังไม่เรียนบริบูรณ์ทําให้บริบูรณ์อา้าวปัญญาไม่บริบูรณ์ทําให้บริบูรณ์เนี่ยมีความเคารพในสิกขาในสมาธิเหียท่าประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมัน่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนลหายแห่งพระศัท์ธรรม คือประาธรรมก็อยู่ที่ชีวิตของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นเองว่าคุณอยู่ด้วยอะไรคุณอยู่ด้วยความเคารพพระธนใจหรือเปล่าอยู่ด้วยความเคารพศิคขาหรือเปล่าอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาก็คุณอยู่ด้วยความเคารพศีลห้าหรือเปล่าศีลอุโบสถหรือเปล่าคุณทับอยู่หรือเปล่าหรือคุณอยู่ด้ภาวนาอะไรคุณรู้การเจริญกรรมฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณทาอยู่หรือเปล่าหรือคุณไม่รู้คุณไม่รู้ทำไมคุณไม่เรียนนะคุณไม่ศึกษาถ้าคุณเคารพคุณต้องเรียนคุณต้องศึกษาแล้วคุณทำสิจะเริญนเมตตาภาวนาหรือมรณาอุสติกรรมฐานคุณทำสินะแล้วก็ในความไม่ประมาทในสมาธิในปฏิสันฐานถ้าทาเนี่ยพระสัตยก็ตั้งมั่นอยู่ในชีวิตของเรา ไม่ฟั่นเฟือนเราสามารถจะพูดได้เลยบาปุเดจ่ามีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเราเคารพอยู่เนี่ยเรายำเกรงอยู่เราละลึกถึงอยู่เรากรตันอยู่กระแตเวทีอยู่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาเองว่าเราจะทําให้พระสัตธรรมเลือนหายไปเป็นโมฆะบุรุษหรือจะทำให้พระสัตธรรมเจริญ ตอนนี้เราก็เป็นเหมือนบรรทุกอะไรไปดีถ้าบรรทุกความเคารพหกประการนี้ไปหรือห้าประการนี้ไปก็ไปได้เจริญข้ามฟังไปถึงพระนิพพานได้เดินอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเดินเรืออยู่ในวัฏสงสารแต่ถ้าเผื่อเราเป็นโมฆะบุรุษเป็นต้นผลที่โง่เราก็ไม่เอาแล้วความเคารพในพระรัตนตรยัยเราก็เอาศัพทธรรมปฏิรูปมาใส่ คือเอาธรรมะจอมปลอมเข้ามาใส่ไว้ในชีวิตเราไปรักษาธรรมะจอมปลอมก็เป็นอันว่าเลือนหายแน่นอน้าสัธรรมท่านมีคำอธิบายไว้ยาวนะยาวทีเดียวเรื่องสัตธรรมปฏิรู ป, ปกระสูรเนี่ยแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงคำอธิบายที่เรีย ก, อกาอัตกราก็ขอนำสูตรอื่นมาประกอบพอสมควรนะ ในอังคุตรนิกายปัญจากานิบาตประถมสัทธธรรมะสัมโมสะสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งศาสนาซึ่งก็เกี่ยวข้องพันกันอยู่นะกับที่ผู้เดจ้าแสดงไว้ในสัทธรรมปฏิรู ป, ประกระสูตรตะกี้นี้มีเนื้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลื่อม เสื่อมศูนย์แห่งสัตธรรธรรมท้าประการเป็นชนิดคือพิกูุในธรรมวินัยนี้ไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ฟังธรรมโดยเคารพคือฟังเหมือนกันแต่ว่าฟังโดยไม่ตั้งใจจะรู้ฟังไปงั้นหรือว่าเพราะว่าไม่เงี่ยหูตั้งใจฟังหลอกแรกไปที่อื่นอะไรอย่างนั้น ประการที่สองพิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพฟังในอย่างหนึ่งเล่าเรียนอีกอย่างหนึ่งเล่าเรียนก็ต้องมีการสอบถามมีการฟังคิดถามเขียนนะนะต้องต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, อง ใ, หให้ให้ให้ความเคารพเกิดต่อไปพิกษุในธรรมวินัยจำธรรมโดยเคารพคือไม่จำจำไม่ได้ผู้เรยเจ้า แสดงไว้ อ, อย่างไรไปเรียนมาแล้ว่จําไม่ได้ข้อที่สี่พิสูจในธรรมวินัยนี้ไม่ไถ่ครวรอัดอัดอัดก็คือสภาวะธรรมจริงๆหรือว่าความหมายเนื้อความแห่งธรรมนะแห่งธรรมนั้นจริงๆว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกอย่างเงี้ยนี่ทุกเนี่ยเราเจอหรื อ, อยังเราเจอไหมอุปาทานขันคือรูปเนี่ยเราเรารู้ไหมว่าจริงๆนี่คืออะไรเจอไหมไถ่ค ร, ครวรเราเห็นไหม เห็ตัวสภาวะธรรมจริงๆนั้นไหมเจอไหมว่าธาตุดินน้ําลมไฟเจอไหมหรือบอกว่าเวทนาเป็นทุกข์เนี่ยเจอไหมเวทนาเราเจอไหมอับถางนี่หมายถึงตัวสภาวะธรรมน ะ, ะตัวสภาวะธรรมเพราะว่าคําสอนอพุทธเจ้าเนี่ยพูดไปแล้วจะต้องมีตัวจริงตัวจริงรองรับไม่ใช่พูดเลื่อนลอยพูดถึงปัญญาก็ไม่มีปัญญาจริงไม่ใช่ ต้องมีปัญญาอย่างนั้นจริงท่านท่านจึงเอาตัวจริงแล้วมาพูดให้เรารู้พูดถึงโลภก็ไม่มีโลภจริงไม่มีหรอกความโลภเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเองไม่ใช่ที่ท่านเรียกว่าโลภแล้วท่านบอกว่าโลภมีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงไหมอันนี้เรียกว่อัตถะส่วนคําพูดะเป็นพยัญชนะพยัญชนะเนี่ยให้รู้ให้ของของสภาวธรรมนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนั้นต้องไข่ครวญ น, นะ ไม่ไข้กลัวแล้วเราทา่าศัทาแต่ไม่เจอไม่รู้จกักศรัทธาไม่รู้ว่าลักษณะของศรัทธาเป็นยังไงไรู้ทางานอะไรไม่รู้ผลงานไม่รู้เหตุเกิดของมันไม่รู้ที่ตั้งของมันที่ดับไปแต่ถ้าเผ <ays> ื่อไข้กลัวแล้วจะรู้ว่าเออจริงนะเออไอ้ที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเออเนี่ยศรัทธาคิดไอ้ที่เราพูดไปอย่างนี้แหละศรัทธาเคยคิดว่าโอ้ไม่มีอะไรรักเราเลยนะนอกจากบุญ น, นะบุญเนี่ยรักเราจริงนะเพราะให้ประโยชน์ไอ้ที่คิดอย่างนี้ศรัทธามันคิดคิด มันคิดไปว่าโยคนที่จะรักเราเนี่ยเสมอด้วยบุญไม่มีครับเสมอด้วยบุญของเราเองเนี่ยไม่มีเพราะว่าบุญเนี่ยนําประโยชน์นําความสุขมาให้แก่ชีวิตเราเนี่ยศรัทธามันคิดศรัทธามันจึงพูดออกไปหรือว่านี่นะความตันหนีมันเป็นอย่างนี้จริงๆตัวจริงเป็นอย่างนี้มันจึงแสดงอาการอย่างนั้นออกมาคิดอย่างนั้นออกมาพูดอย่างนั้นออกมา นี่เรียกว่าไม่ใช่ควรอับแห่งธรรมที่ทรงจําไว้โดยขรรพจําได้แต่ก็ไม่รู้อะไรไม่ไปพิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาแล้วจะเจอได้จะเจอได้เออมันอยู่ในหัวใจเรานี่เองที่ท่านพูดไม่ได้อยู่นอกใจเลยมันเกิดอยู่กับใจเรานี่แหละเกิดเกิดอดดับอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกตัณหาที่ท่านบอกไม่ได้อยู่ไกลเลยนั้นอยู่ชิดจนกระทัไม่รู้จักมันนะเป็นอย่างนั้น ต่อไปประการต่อไปรู้อัดรู้ทำแล้วนะรู้รู้จักตัวจริงของสภาวะธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพรู้แล้วว่าไม่ทําไม่ทำศรัทธาให้เจริญไม่ทําศีลให้เจริญทั้นที่รู้ว่าศีลนี่มันเป็นอย่างนี้ยดีอย่างนี้ยเกิดได้อย่างเนี้ยทานเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทําตามมันก็ไม่เจริญนะชีวิตเพราะนั่ น, นเป็นเหตุลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัตรู ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทำห้ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมก็แน่นอนแหละพอเราไม่ฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟังทำหรือรบก็จําไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ไ ด, จไไ ด, จไได้จะไปปฏิบัติยังไงปฏิบัติต้องอาศัยความจําำเราจะทําอะไรเราต้องจําแล้วก่อนต้องดูต้อก่อนดูอะไรคือต้องจำํำแต่สมมติว่าเราจะ ทำกับค่าก็ต้องดูคนทําเป็นเขาทาก่อนอลไรอย่างเนี้แล้วต้องจำแล้วก็ต้องมาลองทําดูทีนี้พอไม่ทําเลยมันก็ไม่รู้เรื่องเลยเต็ดแต่ที้ถ้าทําที่ถ้าลองทําดูอยู่เนี่ยคําสอนเหล่านั้นก็จะยิ่งจําแม่นแล้วก็เป็นอยู่กับตัวเราเลยเป็นอยู่เลยอยู่กับชีวิตเราเลยเพราะมันใช้อยู่ในกับชีวิตแล้ว ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทำหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธรรมทำห้าประการเป็นชนไหนคือพิกูุนในธรรมวินัยนี้ย่อมฟังธรรมโดยเคารพหนึ่งเล่าเรียนธรรมโดย 1, เคารพหนึ่งทรงจำธรรมโดย 1, เคารพหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดยวเผิดละเล่าเรียนธรรมโดยเคารพหนึ่งถูกแล้วทรงจำธร 1, รมหนึ่งไขควรอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพหนึ่ง รู้อัดรู้ทำแล้วนะปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมโดยเคารพหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทำห้าประการ น, นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสือ่อมแล้วท่านอธิบายไว้ด้วยว่าไอความเสื่อมเนี่ยที่ข้อสุดท้ายเนี่ยแม้จะปฏิบัติธรรมตามที่ฟังมาก็ไม่ปฏิบัติโดยเคารพคือเลิกเลิกแล้วบ้างย่อย่อหย่อนหย่อน ทำให้เต็มที่อะไรไปอย่างนั้นนะเรียกว่าปฏิบัติโดยไม่เคารพนี้เป็นเหตุแห่งความเสื่อมลบเดือนแห่งศัพทธรรมเช่นกันแล้วก็ไม่ต้องไปดูใครก็ดูตัวเรานี่แหละนะดูตัวอาตมานี่แหละเพราะว่าเราเป็นเป็นผู้ที่จะมาพึ่งธรรมะนี่แต่เราไม่ได้ไม่รู้จะพึ่งด้วยวิธีเข้าไปฟังเข้าไปจําก็พึ่งไม่ได้หรอกต้องพึ่งมันต้องพึ่งได้โดยเข้าไปฟังเข้าไปเล่าเรียนเข้าไปจํา อยู่ดีๆธรรมะจะเกิดขึ้นมาเองอ่ะเป็นไปบ่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้พุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาสอนกันสิเราก็ให้อยู่ดีๆปัญญาก็เกิดขึ้นมาเองไม่ได้มันต้องมีเหตุปัญญาจะจะมาได้ก็ต้องไปฟังธรรมต้องไปโยนิโสมณัติการไปนั่งใกล้บัณฑิตยอย่างนี้แล้วยังมีต่อไปอีกนะ ทุติยสัตธรรมะสัมโมสสูตร ว, ว่าด้วยเหตุเสื่อมและเหตุไม่เสื่อมแห่งศาสนาดูกรรพรสทั้งหลายทํา5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรมทำห้ำประการเป็นไนคือพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่เล่าเรียนทำคือไม่เล่าเรียนพระไตรปิฎกเขาเรียกว่า ย่อมไม่เราเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติบุตกะชาดกอภูตะธรรมเวทัละเนี่ยเนี่ยอย่างที่อามาสอนเนี่ยไม่ไม่เรียนกันแล้วนะที่อัตมาเอามาพูดเนี่ยไม่เรียนกันแล้วนี้ทำเป็นข้อที่หนึ่งคือพระตไตรปิฎกทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันมัธมาฆ์ไม่เอาแล้วไปเรียนอย่างอื่นนะย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัพท์ธรรมอีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เราเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร น, นี้เป็นธรรมข้อที่สอง้าวเรียนมาแล้วหวงได้อีกนะไม่เอาอะไม่แสดงนะแสดงก็ย่อๆไม่แสดงโดยละเอียดนะไอ้ข้อนี้ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัตรูข้อที่2นะข้อที่3อีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลาย